เสียงอ่านหนังสือพระไตรปิฎกฉบับประชาชนงานเขียนโดยอาจารย์สุชีปุญญาณุภาพจะทําเผยแพร่โดยชมรมผลดีเสียงอ่านโดยโจโฉไม่มีธรรมะใดบริสุทธิ์และประเสริฐเท่าพระไตรปิฎกจะทําเผยแพร่สองเวอร์ชั่นแบบมีดนตรีและไม่มีดนตรีประกอบเชิญเลือกรับฟังตามจริตอย่าลืมกดฟังเกลืน่นนํา แนะนำก่อนฟังพระไตรปิฎกด้วยนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงจเจริญรุ่งเรืองในทางกุศลยย่งยิ่งขึ้นไปพระไตรปิฎกฉบับประชาชนพระไตรปิฎกคืออะไรศา ส, สนาทุกศาสนามีคำพีหรือตำราทางศาสนาเป็นหลักในการสั่งสอนแม้เดิมจะไม่ได้ขีดเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแต่เมื่อมนุษย์รู้จักใช้ตัวหนังสือ ก็ได้มีการเขียนการจ้ารึกคำสอนในศาสนานั้นๆไว้เมื่อโลกเจริญขึ้นถึงกับมีการพิมพ์หนังสือเป็นเล่มๆได้คำพีศาสนาเหล่านั้นก็มีผู้พิมพ์เป็นเล่มขึ้นโดยลำดับพระไตรปิฎกเป็นคำพีหรือตำราทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับไตรเวทที่เป็นคำพีของศาสนาพราหม์ไบเบิลของศาสนาคริสต์อันกุราน อศาาสสนิลมกล่าวโดยรูปศัพท์คําว่าพระไตรปิฎกแปลว่าสามคำพีเมื่อแยกเป็นคำคำว่าพระบวกไตรบวกปิฎกคําว่าพระเป็นคําแสดงความเคารพหรือยกย่องคําว่าไตรแปลว่าสามคำว่าปิฎกแปลได้สองอย่างคือแปลว่าคำภีรหรือตําราอย่างหนึ่งแปลว่ากระจาดหรือตรรกาอย่างหนึ่ง ที่แปลว่ากระจัดหรือตะกร้าหมายความว่าเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหมวดหมู่ไม่ให้กระจัดกระจายคล้ายกระจัดหรือตะกร้าอันเป็นภาชนะใส่ของฉะนั้นพระไตรปิฎกแบ่งออกเป็นอะไรบ้างเมื่อทราบแล้วว่าคาว่าพระไตรปิฎกแปลว่าสามคำพีหรือสามปิฎกจึงควรทราบต่อไปว่า สามปิดกนั้นมีอะไรบ้างและแต่ละปิดกนั้นมีความหมายหรือใจความอย่างไรปิดกสามนั้นแบ่งออกดังนี้ 1. วินัยปิดกว่าด้วยวินัยหรือศีลของภิกษุภิกษุณี 2. สุตตันตปิดกว่าด้วยพระธรรมเทศนาทัท่วๆไป 3. อภิธรรมปิดกว่าด้วยธรรมะล้วน หรือธรรมะที่สำคัญความเป็นมาของพระไตรปิฎกการกล่าวถึงความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎกจำเป็นต้องกล่าวถึงเหตุการณ์ตั้งแต่ยังไม่ได้จดจารึกเป็นลายลักษณอักษรรวมทั้งหลักฐานเรื่องการท่องจําและข้อความที่กระจัดกระจายยังไม่ได้จัดเป็นหมวดหมู่จนถึงมีการสังคยนาคือจัดระเบียบหมวดหมู่การจารึกเป็นตัวหนังสือ การพิมพ์เป็นเล่มในเบื้องแรกเห็นควรกล่าวถึงพระสาวกสี่รูปผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎกคือหนึ่งพระอาณน์ผู้เป็นพระอนุชาซึ่งเป็นลูกพี่ผู้น้องและเป็นผู้อุปถากรับใช้ใกล้ชิดของพระพุทธเจ้าในฐานะที่ทรงจำพระพุทธวจนะไว้ได้มาก 2. พระอุบาลี ผู้เชี่ยวชาญทางวินัยในฐานะที่ทรงจำวินัยปิดก 3. พระโสนกุติกันนะผู้เคยท่องจำบางส่วนแห่งพระสุตตันตปิดกและกล่าวข้อความนั้นปากกล่าวในที่เฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าได้รับสรรเสริญว่าทรงจำได้ดีมากทั้งสำเนียงที่กล่าวข้อความออกมาก็ชัดเจนจ่มใสเป็นตัวอย่างแห่งการท่องจาในสมัย ที่ยังไม่มีการจารึกพระไตรปิฎกเป็นตัวหนังสือ 4. พระมหากัสสปะในฐานะเป็นผู้ริเริ่มให้มีการสังคายนาจัดระเบียบพระพุทธวจนะให้เป็นหมวดหมู่ในข้อนี้ย่อมเกี่ยวโยงไปถึงพระพุทธเจ้าพระสาริบุตรและพระจุนทะน้องชายพระสาริบุตรซึ่งเคยเสนอให้เห็นความสำคัญของการทาสังคายนา คือจัดระเบียบคำสอนให้เป็นหมวดหมู่ดังจะกล่าวต่อไปพระอานนท์เกี่ยวกับพระไตรปิฎกอย่างไรเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชาและได้ตรัสรู้แล้วแสดงธรรมโปรดเจ้าลัทธิกับทั้งพระราชาและมหาชนในแว่นแคว้นต่างๆในปลายปีแรกที่ตรัสรู้นั่นเองพระพุทธบิดา ก็ส่งส่งทูตไปเชิญเสด็จพระศาสดาให้ไปแสดงธรรมโปรดณกรุ่มกบิลพัทเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงกรุ่มกบิลพัทแสดงธรรมโปรดพระพุทธบิดาและพระประยุรญาต์แล้วพระประยุรญาต์ต่างพากันเลื่อมใสใหโอรสของตนออกบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นอันมากพระานนท์เป็นโอรสของเจ้าชายสุกุณนสากยะ ผู้เป็นพระอนุชาของพระเจ้าสุดโทธนทนะพระพุทธบิดาเมื่อนับโดยเชื้อสายจึงนับเป็นพระอนุชาหรือลูกผู้น้องของพระพุทธเจ้าท่านออกบวชพร้อมกับราชกุมารอื่นๆอีกคือ 1. อนุรุท ธ, ธะ 2. ภักขุ 3. กิมพิละ 4. ภพัทธิยะรวมเป็นห้าท่านในฝ่ายศักยะวง์ เมื่อรวมกับเทวทัตซึ่งเป็นราชกุมารในโกลิยะวงหนึ่งกับอุบาลีซึ่งเป็นพนักงานภูษสามาลามีหน้าที่เป็นช่าง ก, กัะระบบหรือช่างตัดผมอีกหนึ่งจึงรวมเป็นเจ็ดท่านด้วยกันในเจ็ดท่านนี้เมื่อออกบวชแล้วก็มีชื่อเสียงมากอยู่สี่ท่านคือพระอ น, นุ์เป็นพุทธอุปถาส่งจำพระพุทธวจนะได้มากพระอนุรุษ ชำนาญในทิพยจักสุพระอุบาลีทรงจำและชำนิชำนาญในทางพระวินัยกับพระเทวทัตมีชื่อเสียงในทางก่อเรื่องยุ่งยากในสังฆมนทนจะขอปกครองคณะสงฆ์แทนพระพุทธเจ้ากล่าวเฉพาะพระอานนท์เป็นผู้ที่ทรงเลือกให้ทำหน้าที่เป็นพุทธอุปทากคคือผู้รับใช้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าก่อนที่จะรับหน้าที่นี้ ท่านได้ขอพอรหรือในหนึ่งคือเงื่อนไขแปประการจากพระพุทธเจ้าเป็นเงื่อนไขฝ่ายปฏิเสธสี่ข้อเงื่อนไขฝ่ายขอร้องสี่ข้อคือเงื่อนไขฝ่ายปฏิเสธหนึ่งถ้าพระผู้มีพระภาคจักไม่ประทานจีวร อ, อันประณีตที่ได้แล้วแก่ข้าพระองค์สองถ้าพระผู้มีพระภาค จากไม่ประทานบินทบาทคืออาหารอันประนีตที่ได้แล้วแก่ข้าพระองค์ 3. ถ้าพระผู้มีพระภาคจากไม่โปรดให้ข้าพระองค์อยู่ในที่ประทับของพระองค์ 4. ถ้าพระผู้มีพระภาคจากไม่ทรงพาข้าพระองค์ไปในที่นิมนต์เงื่อนไขฝ่ายขอร้อง 5. ถ้าพระองค์ จากเสด็จไปสู่ที่นิมนต์ที่ข้าพระองค์รับไว้หกถ้าข้าพระองค์จะนำบริษัทซึ่งมาเฝ้าพระองค์แต่ที่ไกลให้เข้าเฝ้าได้ในขณะที่มาแล้วเจถ้าความสงสัยของข้าพระองค์เกิดขึ้นเมื่อใดขอให้ได้เข้าเฝ้าทูลถามเมื่อนั้นและ8ถ้าพระองค์ทรงแสดงข้อความอันใดในที่รับหลังข้าพระองค์ ครันเสด็จมาแล้วจักตรัดบอกข้อความอันนั้นแก่ข้าพระองค์พระพุทธเจ้าตรัสถามว่าที่ขอเงื่อนไขฝ่ายปฏิเสธนั้นเพื่ออะไรพระอนนต์กราบทูลว่าเพื่อป้องกันผู้กล่าวหาว่าท่านอุปถาพระพุทธเจ้าเพราะเห็นแก่ลาบสการะส่วนเงื่อนไขฝ่ายขอร้องสี่ข้อนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถามท่านก็กราบทูลว่า สข้อต้นเพื่อป้องกันผู้กล่าวหาว่าพระอานนท์จะอุปถากพระพุทธเจ้าทำไมในเมื่อพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุเคราะห์แม้ด้วยเรื่องเพียงเท่านี้ส่วนเงื่อนไขข้อสุดท้ายก็เพื่อว่าถ้ามีใครถามท่านในที่รับหลังพระพุทธเจ้าว่าคาถานี้สูตรนี้ชาดกนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงในที่ไหนถ้าพระอานนท์ตอบไม่ได้ ก็จะมีผู้กล่าวว่าพระอนุนตามเสด็จพระสัสดาไปดุดเงาตามตัวแม้เรื่องเพียงเท่านี้ก็ไม่รู้เมื่อพระอนุนกราบทูลชี้แจงดังนั้นแล้วพระสัสดาก็ทรงตกลงประธานพรหรือเงื่อนไขทั้ง8ดข้อเฉพาะพรข้อที่8เป็นอุปการะแก่การที่จะรวบรวมพระพุทธวจนะเป็นหมวดหมู่อย่างยิ่ง และเมื่อพระพุทธเจ้าบริณิพานแล้วพระอา น, นุ์ได้รับหน้าที่ตอบคําถามเกี่ยวกับพระธรรมส่วนพระอุบาลีตอบคําถามเกี่ยวกับพระวินัยเพื่อจัดระเบียบคําสอนให้เป็นหมวดหมู่ในกล่าวสังคยานาครั้งที่หนึ่งซึ่งกระทําภายหลังพุทธบริณิพานสามเดือนในสมัยที่วิชาหนังสือยังไม่เจริญพอที่จะใช้บันทึกเรื่องราวได้ดังในปัจจุบัน อันเป็นสมัยที่ไม่มีการจดมนุษย์ก็ต้องอาศัยความจำเป็นเครื่องมือสำคัญในการบันทึกเรื่องราวนั้นๆไว้แล้วบอกเล่าต่อๆกันมาการทรงจำและบอกกันด้วยปากต่อๆกันมานี้เรียกในภาษาบาลีว่ามุขปาฐพระอานนท์เป็นผู้ได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาว่ามีความทรงจำดี สดับตรับฟังมากนับว่าท่านได้มีส่วนสำคัญในการรวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจัดเป็นหมวดหมู่ต่างๆสืบมาจนทุกวันนี้พระส น, นะกุติกันนะเกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกอย่างไรความจริงท่านผู้นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับพระไตรปิฎกแต่ประวัติของท่าน มีส่วนเป็นหลักฐานในการท่องจาพระไตรปิฎกอันช่วยให้เกิดความเข้าใจดีในเรื่องความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎกจึงได้นำเรื่องของท่านมากล่าวไว้ในที่นี้ด้วยเรื่องของท่านผู้นี้ปรากฏในพระสุตตันตปิฎกเล่ม2ี่สิบห้ามีใจความว่าเดิมท่านเป็นอุบาสกเป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดของพระมหากัจจานะเทระพำนักอยู่ใกล้ภูเขา อันทอดเชื่อมเข้าไปในนครชื่อกุรุรัระในแควอวันตีท่านเลื่อมใสในพระกัจจานะเทระและเลื่อมใสที่จะบรรพชาอุปสมบทพระเทระกล่าวว่าเป็นการยากที่จะประพฤติปรมจันท่านจึงแนะนำให้เป็นข้ารุหัสประพฤติตนแบบอนาคาริกะคือผู้ไม่ครองเรือนไปก่อนแต่อุบาสกส น, นักุติกันนะรบเร้าบ่อย ท่านจึงบรรพชาให้ต่อมาอีกเจ็ดปีจึงรวบรวมรักได้ครบสิบรูปจัดการอุปสมบทให้หมายความว่าพระโสนนะต้องบรรพชาเป็นสามเณรอยู่สามปีจึงได้อุปสมบทเป็นภิกษุต่อมาท่านลาพระมาหากจานะเทระเดินทางไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณเชตวรนารามกรุงสาวัตถีเมื่อไปถึง พระพุทธเจ้าตรัสถามทราบความว่าเดินทางไกลมาจากอาวันตี ท, นทักิณบทคืออินเดียภาคใต้จึงตรัสสั่งพระอานนทให้จัดที่พักให้พระอานนทพิจารณาว่าพระองค์คงปรารถนาจะสอบถามอะไรกับภิกษุรูปนี้เป็นแน่แท้จึงจัดที่พักให้ในวิหารเดียวกันกับพระพุทธเจ้าในคืนวันนั้นพระผู้มีพระภาค ประทับนั่งอยู่กลางแจ้งจนดึกจึงเสด็จเข้าสู่วิหารแม้พระโสนะกุติกันนะก็นั่งอยู่กลางแจ้งจนดึกจึงเข้าสู่วิหารครั้นเวลาใกล้รุง่งพระพุทธเจ้าจึงตรัสเชิญให้พระโสนะกล่าวธรรมะซึ่งท่านได้กล่าวสูตรถึงสิบหกสูตรเมื่อจบแล้วพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาสรรเสริญความทรงจำและทวงทานองในการกล่าว ว่าภัยเรเอะสละสลวยแล้วตรัสถามเรื่องส่วนตัวอย่างอื่นอีกเช่นว่ามีพรรษาเท่าไรออกบวช ด, ด้วยมีเหตุผลอย่างไรเรื่องนี้เป็นตัวอย่างอันดีในเรื่องความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎกว่าได้มีการท่องจำกันตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าอย่างทรงพระชนอยู่ใครสามารถหรือพอใจจะท่องจำส่วนไหนก็ท่องจาส่วนนั้นถึงกับมีครูอาจารย์กันเป็นสา ย, สาย เช่นสายวินัยดังจะกล่าวข้างหน้าพระมหากัสปะเกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกอย่างไรพระมหากรสปะเป็นผู้บวชเมื่อสูงอายุท่านพยายามปฏิบัติตนในทางเคร่งครัดแม้จะลำบากบ้างก็แสดงความพอใจว่าจะได้เป็นตัวอย่างแก่ภิกษุรุ่นหลัง พระศาสดาทรงสรรเสริญท่านว่าเป็นตัวอย่างในการเข้าสู่สกุลชักกายและใจห่างประพฤติตนเป็นคนใหม่ไม่ขนองกายวาจาใจในตระกูลนอกจากนั้นยังทรงสรรเสริญในเรื่องความสามารถในการเข้าฌานสมาบัติท่านเป็นพระผู้ใหญ่แม้แม้ใครสั่งสอนใครมากแต่ก็สั่งสอนคนในทางปฏิบัติคือทําตัวเป็นแบบอย่าง เมื่อพระศาสดาบริลนิพพานแล้วท่านได้เป็นหัวหน้าชักชวนพระสงฆ์ให้ทำสังคยนาคือร้อยกรองหรือจัดระเบียบพระธรรมวินัยนับว่าท่านเป็นผู้มีส่วนสำคัญยิ่งในการทำให้เกิดพระไตรปิฎกอันหนึง่งในการทำสังคยนาครั้งที่หนึ่งซึ่งท่านชักชวนให้ทำขึ้นนั้นท่านเองเป็นผู้ถามทั้งพระวินัยและพระธรรม ท่านพระอุบาลีเป็นผู้ตอบเกี่ยวกับพระวินัยท่านพระอานนท์เป็นผู้ตอบเกี่ยวกับพระธรรมซึ่งจะกล่าวรายละเอียดในตอนที่ว่าด้วยสังคยนาได้กล่าวไว้แล้วว่าในการปรารบนามของพระเถระสี่รูปประกอบความรู้เรื่องความเป็นมาแห่งพระตรปิฎกคือพระอานนท์พระอุบาลีพระโสนกุติกันนะ และพระมาหากัสสปะนั้นก็ให้ความเกี่ยวโยงไปถึงพระพุทธเจ้าพระสาวริบุตรและน้องชายพระสาวริบุตรคือพระจุนทะพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ร้อยกรองพระธรรมวินัยสมัยเมื่อนิครนนาถบุตรผู้เป็นอาจารย์เจ้าลทัทธิสำคัญคนหนึ่งสิ้นชีพสาวกเกิดแตกกันพระจุนทะเทระ ผู้เป็นน้องชายพระสาวริบุตรเกรงเหตุการณ์เช่นนั้นจะเกิดแก่พระพุทธศาสนาจึงเข้าไปหาพระอานนท์เล่าความให้ฟังพระอานนท์จึงชวนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อกราบทูลแล้วพระองค์ได้ตรัสตอบด้วยข้อความเป็นอันมากแต่มีอยู่ข้อหนึ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งปรากฏในปาสาทิกสูตรประสุตตันตปิฎกเล่มที่สบอ็ดพระผู้มีพระภาคตรัสบอกพระจุนทะ แน่ให้รวบรวมธรรมภาสิตของพระองค์และธรรมสังคยนาคือจัดระเบียบทั้งโดยอัฏฐและพยัญชนะเพื่อให้พระมจรรตตั้งมั่นยั่งยืนสืบไปพระพุทธภาสิตที่แนะนําให้รวบรวมพุทธวจนะร้อยกรองจัดระเบียบหมวดหมูน่นี้ถือได้ว่าเป็นเริ่มต้นแห่งการแนะนําเพื่อให้เกิดพระไตรปิฎกดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้หมายเหตุอัฏฐ คือเนื้อหาใจความสำคัญที่ขยายแบบละเอียดและตรงความมุ่งหมายที่ต้องการสื่อถึงส่วนพยัญชนะคือสัญลักษ์ตัวอักษรชื่อเรียกที่ใช้แทนความหมายเบื้องต้นของสิ่งต่างๆพระสาวริบุตรแนะนำให้ร้อยกรองพระธรรมวินัยในสมัยเดียวกันนั้นและร่าวรบเรื่องเดียวกันคือเรื่องสาวกของนิครนนาตบุตรแตกกัน ภายหลังที่อาจารย์สิ้นชีวิตข้ามวันหนึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมจบแล้วเห็นว่าภิกษุทั้งหลายยังใกล้จะฟังต่อไปอีกจึงมอบหมายให้พระสาริบุตรแสดงธรรมแทนซึ่งท่านได้แนะนำให้รวบรวมร้อยกรองพระธรรมวินัยโดยแสดงตัวอย่างการจัดหมวดหมู่ธรรมะเป็นข้อๆตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อสิบว่ามีธรรมะอะไรบ้างอยู่ในหมวดหนึ่ง หมวดสองหมวดสจนถึงหมวดสิบซึ่งพระผู้มีพระภาคได้ทรงรับรองว่าข้อคิดและธรรมะที่แสดงนี้ถูกต้องหลักฐานในพระไตรปิฎกตอนนี้มิได้แสดงว่าพระสาวริบุตรเสนอขึ้นก่อนหรือพระพุทธเจ้าตรัสแก่พระจุนทาก่อนแต่รวมความแล้วก็ต้องถือว่าทั้งพระพุทธเจ้าและพระสาวริบุตร ได้เห็นความสำคัญของการรวบรวมพระพุทธวจนะร้อยกรองให้เป็นหมวดเป็นหมู่มาแล้วตั้งแต่อย่างไม่ทําสังคยนาครั้งที่หนึ่งพระจุนทะเทระผู้ปรารถนาดีเมื่อกล่าวถึงเรื่องความเป็นมาแห่งพระไตรปิฎกและกล่าวถึงการที่พระพุทธเจ้าทรงแนะให้ทำสังคยนาก็ดีถ้าไม่กล่าวถึงพระจุนทะเทระ ก็ดูเหมือนจะมองไม่เห็นความริเริ่มเอาใจใส่และความปรารถนาดีของท่านในเมื่อรู้เห็นเหตุการณ์ที่สาวกของนิครนหน้าตะบุตรแตกกันเพราะจากข้อความที่ปรากฏในพระไตรปิฎกท่านได้เข้าพบพระอานนท์ถึงสองครั้งครั้งแรกพระอานนท์ชวนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยกันพระพุทธเจ้าก็ตรัสแนะให้ทาสังฆนาดังกล่าวแล้วข้างต้นครั้งหลัง เมื่อสาวกนิครนนาตบุตรแตกกันยิ่งขึ้นท่านก็เข้าหาพระอา น, นุ์อีกขอให้กราบทูลพระพุทธเจ้าเพื่อป้องกันมิให้เหตุการณ์ทำนองนั้นเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมแก่พระอา น, นุ์โดยแสดงโพธิ ป, ปัิยาธรรมอันเป็นหลักของพระพุทธศาสนาแล้วทรงแสดงมูลเหตุแห่งการทะเลวิวาทอกประการอธิกรณ์สี่ประการ วิธีระ ง, งับอธิกรณ์เจประการกับประการสุดท้ายได้ทรงแสดงหลักธรรมสำหรับอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกหประการที่เรียกว่าสารานิยธรรมอันเป็นไปในทางสงเคราะห์อนุเคราะห์และมีเมตตาต่อกันมีความประพฤติและความเห็นในทางที่ดีงามร่วมกันเรื่องนี้ปรากฏในสามคาเมสูตรประสูตรตันตะปิดกเล่มที่ส ซึ่งควรบันทึกไว้ในที่นี้เพื่อบูชาคุณคือความปรารถนานดีของพระจุนทะเทระผู้แสดงความห่วงใยในความตั้งมั่นยั่งยืนแห่งพระพุทธศาสนา